ธรรมบทแปลเรื่องพ่อค้ามีทรัพย์มากภาคที่7เรื่องที่211พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพพ่อค้ามีทรัพย์มากตลัดพระธรรมเทศนานี้ว่าอิทะวัดสังเป็นต้นตอนพ่อค้าไม่ทราบความตาย ที่จะมาถึงตนดันงได้สลับมาพ่อคานั้นบรรทุกผ้าซึ่งยอมด้วยดอกคำชนเต็มเกวียนห้ารอยเล่มจากกรุงพระนศีมาแล้วสู่กรุงสาวัตถีเพื่อค้าขายเขาถึงฝั่งแม่น้ำแล้วคิดว่าพรุ่งนี้เราจะข้ามแม่น้ำจึงได้ปลดเกวียนแล้วพัก อยู่ที่ฝั่งนั้นนั่นแหละในตอนกลางคืนมหาเมฆตั้งขึ้นแล้วยังฝนให้ตกแม่น้ำเต็มด้วยน้ำได้ทรงอยู่ตลอดเจ็ดวันถึงในพรรน ก, กรพวกชนก็เล่นนั ก, กษั์กันตลอดเจ็ดวันกิดด้วยผ้าซึ่งย้อมด้วยดอกคำไม่มีพอ่อกาจึงคิดว่าเรามาสู่ที่ไกล ถ้าเราจะไปอีกความเนื่นช้า ก, ก็จะมีเราจะอยู่ทำการงานของเราในที่นี้แหละตลอดฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนแล้วจะขายผ้าเหล่านี้พระศ า, าสดาเสด็จเที่ยวไปบินบาตในพระนครทรงทราบความคิดของเขาแล้วทรงทำการแย้มให้ปรากฏ พระนนเตระทูนตามเุแห่งการแย้มจึงได้ตรัสว่าอนอน์เธอเห็นพ่อขามีทรัพย์มากคนนั้นไหมเห็นพระเจ้าข้อนอน์เขาไม่รู้อันตรายแห่งชีวิตของตนจึงได้ตั้งจิตเพื่ออยู่ขายสิ่งของในที่นี้นี่แหละตลอดปีนี้แค่แต่พระองค์ผู้เจริญก็อันตรายจะมีแค่เขาหรือ ถูกแล้วอนอนลเขาเป็นอยู่ได้ตลอดเจวันเท่านั้นก็จะตั้งอยู่ในปากแห่งมัจจุคือความตายดนี้แล้วจะได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าความเพียรเครื่องเผากิเลสควรทาในวันนี้ทีเดียวใครพึงรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพียนด้วยมัจจุราชซึ่งมีเสนาใหญ่นั้น ไม่มีเลยมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นมีความเพียรไม่เกียจคร้านตลอดกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญทํรราณ น, นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไปบอกแก่เขาพระเจ้าขาอ น, น์นถ้าเธอคุ้นเคยกันก็ไปเถิดราณ น, นเทระ จึงไปสู่ที่แห่งเกวียนนั้นแล้วเพื่อพิกขาจาน์พ่อคาได้ต้อนรับพระเถระด้วยอาหารลำ ด, ดับนั้นพระเถระจึงกล่าวกับพ่อกา น, นั้นว่าท่านจะอยู่ในที่นี้ตลอดการเท่าไรพ่อกาท่านผู้เจริญกระผมเดินทางมาแต่ไกลถ้าจะไปอีกความเนื่องช้าจะมีผมจะอยู่ในที่นี้ตลอดปีนี้ ขายสิ่งของให้หมดแล้วก็จะไปธรรมราชนอุบาสกอันตรายแก่ชีวิตรู้ได้ยากการทาความไม่ประมาทจึงจะควรพ่อขาท่านผู้เจริญก็อันตรายจะมีอย่างนั้นหรือถูกแล้วอุบาสกชีวิตของท่านจะเป็นไปได้ตลอดเจวันเท่านั้นเห่านั้นเป็นผู้มีความสังเวชใจแล้ว นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายมหาทานตลอดเจ็ดวันแล้วรับบาตรเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนาตอนคนเขาย่อมไม่รู้อันตรายแห่งชีวิตลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาแก่เขาจึงตรัสว่าอุบาสกธรรมดาบัณฑิต คิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้นี่แหละตลอดฤดูฝนเป็นต้นจะประกอบการงานชนิดนี้ชนิดนี้ น, นี้แล้วย่อมไม่กวนกวนคิดถึงอันตรายแห่งชีวิตของตอนเท่านั้นแล้วจึงตรัสพระคถานี้ว่าอิทัวสังวสิสามิอิ ท, ะะ ท, อทเหมันตะกิมหิสุอิติพาโล วิจินเตติอันตรายังนะพุชชติแปลว่าคนผ่านย่อมคิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้ตลอดฤดูฝนจะอยู่ในที่นี้ในฤดูหนาวและฤดูร้อนหารู้อันตรายไหมตอนแกะอัดในมรดาบทเหล่านั้นบทว่าอิทาวัดสังหมายความว่า เราจะอยู่ทำการงานชนิดนี้ชนิดนี้ในที่นี้ตลอดฤดูฝนสี่เดือนบทว่าเฮมันตะคิมหิสุหมายความว่าคนผ่านผู้ไม่รู้ประโยชน์อันเป็นไปในทิฏธรรมและสัมปรยิยภพย่อมคิดอยู่ว่าเราจะทำการงานชนิดนี้ชนิดนี้ในที่นี้แหละตลอดสี่เดือนแม้ในฤดูหนาว และฤดูร้อนบทว่าอันตรายังหมายความว่าย่อมไม่รู้จักอันตรายแห่งชีวิตของตนว่าเราจะตายในการในประเทศหรือในวัยชื่อนอนในการจบเทสนาพ่อค้านั้นดำรงอยู่ในโซดาปฏิปนแล้วแหละเทสนาได้มีประโยชน์ แม้แกบุคคลที่ประชุมกันแล้วฝ่ายพ่อค้าตามทรงสเสด็จพระศาสดาแล้วกลับมานอนบนที่นอนด้วยคิดว่าดูเหมือนโรคในศีรษะจะเกิดขึ้นแกนเราเขานอนแล้วด้วยอาการอย่างนั้นแหละทํากาละคือตายแล้วบังเกิดในดุสิตพบดังนี้แหละเรื่องพ่อค้ามีทรับมาก